มือขวาวางพับลงไปเอาเหัวแม่มือเช็ดกันแต่ว่าอย่าให้ถึงกับไปกดดันกันยางให้ถึงที่สบายต่างตัวให้ตรงบำรงสติให้มั่น่าให้มีการกดข่มประสาทวนต่างๆของร่างกาย ให้กำหนดนั่งให้เป็นที่สบายอย่าต้มนักแล้วก็อย่างเอยนักอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงข mm. วาเมื่อท่านเตรียมนั่งสมาธิตามแบบที่ตีการสาเร็จแล้วต่อไป ขอได้โปรดโปรดปรดูศีนของตนการบำเพ็ญสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา้าต้องขึ้นต้นด้วยศีนอย่างต่ำก็ศีนห้าต่างต่อเท้ามาจนถึง บ, บัดนี้ ขอให้พิจรารณาดูศีลนตามขั้นเต็มแห่งตนเองถ้าตรวจพบว่าศีลนของเราตกต้งองก็ให้อธิษฐานจิตเทาไว้ว่าจะทำให้บริสุทธิ์ต่อไปถ้ารู้ว่าศีนของตนเองบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วก็ควรจะได้ทำความภูมิใจเบิกบานใจ ว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เรามานั่งดีนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรกายก็อยู่ในท่าที่สงบวาจาก็สงบใจก็สำรวมมีสติสำปบัญญา เพื่อแน่ว่าเราไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นแน่นอนบางนั้นึงควรได้อธิษฐานจุดของตัวเองว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราตรวจศีลของเราเป็นที่บริสุทธิ์เป็นที่พอใจแล้ว ต่อไปโปดตั้งใจนละถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมและพรสงฆ์ว่าพคตโธธรรมโมสังโธพคตโธธรรมโมสังโธพุทโธธรรมโมสังโธ ถามจบแล้วรอมาสำรวมอยู่ที่จิตรออยู่ที่จิตทาความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ที่จิตของเราพระพุทธเจ้าดูความรู้สึกสำนึกชอบเชื่อดี มีดูที่จิตของเราแล้วพระธรรมคือการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นพระสงค์เคอมีสติสังวรระวังตั้งใจละความทั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิสะอาดพคยมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี และคงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะละความชั่วกระพุดความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคนต่อพระเจ้าพระธรรมและพระสองฆ์อยู่ในจิตของเราบานนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลสิ่งอื่นเพิงกําหนดเอาจิต ตัวผู้รู้ของเราเท่านั้นเราทำความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราในขณะที่เรายังไม่ทำนานในการกำหนดลูลจิตของตัวเองเพื่อจะให้การกำหนดลูลนั้น ชัดเจนขึ้นปึงควรบริกรรมภาวนาพุิ์เโธท์ทโธ์ อ, อยู่ในจิตนทโนดพธ์เถพธ์โธ์อยู่อย่างนั้นอย่าไปสแสดงอาการขมจิตอย่าบางังคับจิตอย่าไปสะกดจิตให้มันดุดืุดตื้ออย่างอืน่น เพียงแต่พระครองให้มันอยูกับพุทโธเพียงอย่างเดียวนึกว่าหน้าที่ของเราปัจจุบันนี้มีแต่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหน้าที่อืนอ่นๆของเราไม่มีมีแต่ประครองจิตกับพุทโธให้อยู่ด้วยกัน เมื่อจิตกับพุทโธอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดตอนแรกเราอาจจะตั้งใจกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจจิตของเราจะไม่บริกรรมพุทโธตอเมื่อเราตั้งใจจิตของเราจึงจะบริกรรมภาวนาพุทโธ ในตอนแรกๆ <ao speakers> ม ifying, ันจะเป็นอย่างนี้จะด้วยประการใดก็ตามขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายคงตั้งใจให้เร่แน่ว่าเราจะภาวนาพุทโธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นการภาวนาพุทโธเป็นการละเล่กถึงคนของพระพุทธเจ้า พุทโธเป็นเพื่อนของรพงระพุทธเจ้าซึ่งเราแปลพุทโธว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานเมื่อเราบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่หนักหนาเข้าสุดของเราจะเกิดความคล่องตัวต่อการภาวนาพุทโธ เราจะารู้ติดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเนกพุทโธแต่จิตของเราเลกพุทโธเองเพราะเราก็มีสติรู้ยูเองในขณะสุดนั้นอันนี้เป็นการสังเกตการภาวนาพุทโธในขั้นแรกคือแรกเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอเถิดทับมันไปุดอย่างอื่น แล้วเราก็มาลบโพธิ์โตขึ้นมาใหม่พอเสรมันไปเคลียอย่างอื่นแล้วเราก็เอามาหาพธิโตใหม่สำหรับผู้ที่เคยขัดภาวนาพโพธิโตในตอนแรกๆนี้ต้องพยายามเอาติดกับพโพธิโตให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดต้งพยายามลบโพธิพโตพธิพโตพธิโตอยู่ทุกขณะ ทุทลมหายใจไม่ระเฉพาะแต่เวลามานั่งสมาธิภาวนาเตียงอย่างเดียวเราขณะที่เดินเดินนั่งนอนรับพานเดิมทมควรจะนึมกมรรตธรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทณาจิตตัวจิตของเราจะได้คล่องตัวต่อการนึกพุทโธ นึกพุทโธจนคล่องตัวส่วนใดที่ติดจิดของเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเมื่อจิตของเรานึกพุทโธพุทโธเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกแต่ว่ามันนึกพุทโธพุทโธพุทโธของมันเองบางครั้งเราห้ามไม่ให้มันนึกมันก็ไม่ยอมดุจมันนึกของมันอยู่อย่างนั้น เมื่อจิตไปน้มเหงบริกรรมภาวนาพโธพโธพโธอพธโทโพธโอเองมันนม่ยอมหยุดจะดงให้มันหยุดมันไม่หยุดท่นโน้มโพโอของมันอยู่อย่างนั้นอานจิตของท่านจุดกับพโธโอแล้วเหน่งพโธโอเองเรียกว่าจิตได้องของท่านที่หนึ่งคือที่ตกเมื่อมีก็คือโลกอน เยอเองในขณะจิตนั้นตัวโน๊ตโตะก่อนโน๊ตเยอตัวแล้วโก๊ตโล่ก่อนแล้วโน๊ตโล้เยอตัวสติก่อแล้วลน๊โล่เยอเองโดยอัตโนมัติจิตมน๊ตโต๊ะเองตัวรลกก่อูโลเองโดยอัตโนมัติมันเมืตอนกระทั่งมันไม่ยอมหยุดตัวโล่ก็ไม่ยอมหยุดเดินเดินนั่งนอนลักทานเดินรม มันเล็กโพโตโพโต์ของมันเดียอย่างนั้นเองรู้สึกว่ามันเล็กแต่ในส่วนเล็กๆของจิตพวงเราไม่ได้ตั้งใจจะเล็กอันนี้เรียกว่าผู่ภาวนาได้องค์านที่หนึ่งกับองค์านที่สองคือรู้จ ก, กับที่จารต์เมื่อจิตของท่านมานล็กโพโตเองสติก็รู้อยู่เองท่าอย่าไปลาคาญ เขาจะนกของเข้าอยู่อย่างนั้นกอดปล่อยให้เขาเนกไปเถอะโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้จะตมีสิ่งละเล็กความสงบละเอียดมันก็จะค่อยๆเข้าไปทีละขัน้นตอนเมื่อจิตมีรู้ตกวิการเตะตือโผลความเอิบอื่นไปก็ย่อมบังเกิดขึ้นหรือไปไหนไม่รลอดขอให้ได้รูตกกับวิการ แล้วติสิมันจะบังเกิดขึ้นมาเองในอันดับแรกติสิจะบังเกิดนั้นผู้ภาวนาจะต้องรู้สึกว่าเบากายตายเบาหัดก็เบาบางครั้งจะรู้สึกคล้ายๆกับว่าตัวมันจะลอยขึ้นบนอากาศหรือบางทีรู้สึกว่าไม่ได้นั่งอยู่กับพื้นเพราะ กายมันเบาเงาะในอันบับนั้นจิตก็ปลอดโปร่งมีความเบาเบาเอกเบาใจอันนี้เป็นอาการเริเ่มแรกสื่สิบมันจะเพ่งบังเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเกิดเบากายเบาจิตต่อเปกายสงบจิตสงบ เคยสงบจากทุกขเวทนาต่างๆความปวดความเา ม, ม, มื่อยในอาการอื่นๆต้นเป็นทุกขเวทนาหายไปเคยมันสงบจากความทุกขเวทนานั่นเองจิตก็สงบสงบจากความเุ้ิงข้านลำคาญสงบจากตามะฉันทะ ขยาบาทเหนนมิะเอตธาตุปุกาาุตะและด้วยสุสีขาเพระาะเจตอาัยตุติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วก็เกิดความสุขอันเป็นผลเกิดจากตุติเกิดมีความเอิดอิ่มมีความเ บ, บิกบานมีความปราโมทบันเทิงในอารมณ์ของกรรมฐานกำลังเิ่นดูดดิน กำลังเพิ่มจะเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อย่างแท้จริงมีติและความสุขจึงบังเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ว่านี้ตติติมีความสุขจิตก็หมดความรื่นรนกระวนกระวายเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคตาในอันดับของจุตไปเนื่อติติเริ่มบังเกิดขึ้น บางท่านก่อนดตัวสั่นมีตัวโยกบางทีอก็รู้สึกหิอหิวในความรู้สึกภายในจิตเป็นสารพัดที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมาเมื่ออาการทั้งหลายแหล่บังเกิดขึ้นโู้ภาวนาควรจะได้กำหนดจิตให้มีสติสัมปชัญญะ ร, รู้คอามอยู่ในขณะจิตนั้นถ้าหากว่าจิต ดังบริกรรมภาวนาโพธิ์โพธิโยสติก็เร่เดอสติก็มีเดอความสุขก็มีเดอความสงบก็มีเดอซึ่งเรียกว่าสมาธิที่ประกอบไปด้วยองค์คือมีที่ตกที่การสติสุดเจ ก, กับขจารจุดดำเนินอยู่ในฐานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตดำเนินอยู่ในสมาธิ ขั้นทานที่หนึ่งต้นประกอบด้วยององค์ห <c oughs> ้าโคปาวนาเริ่มจะได้สมาธิซึ่งกำลังจะดำเนินเข้าไปสู่ทางแห่งอริยมรรคแต่ส่วนมากข้อจุดควรระวังบางครั้งเราบอสธรรมภาวนาโปโตโทโตโปโตเยวางไม่ทันไรจิตก็มีอาการโยกปาก ะงบลงเป็นสมาธิซึ่งเรายังไม่สามารถกำหนดรู้องค์ฌานนั้นได้อย่างละเอียดพอเว้วาภาพลงไปแล้วนึ่งสว่างก็เสียสิทส่งออกไปข้างนอกพอเดียวก็ไปเห็นภาพนิมิตต่างๆอันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักภาวนาในขั้นต้นจะตรงประสบเมื่อเป็นเช่นนั้น ม า, มาที่นระดับอ่อนๆมีลักษณ ะ, ะ, ละลสลนสลคึ่งลักลึ่งตืน่นเมื่อกระแสะจิตตรงออกไปข้างนอกย่อมมองเห็นภาพนิน้วต่างๆบางทัวก็เห็นนิน้วต์เป็นโลกคนโลกศัสตร์หรือบางทีก็เห็นเทวดาเย็นทอมยมยักษ์บางตัวก็เห็นสูตรีปีศาจหรือบางทีก็อาจจะเห็นพวกยินญาณต่างๆ ส่วนในบางครั้งทูกภาวนาไปสําคัญว่าสิ่งที่เราเห็นในสมาธิในครั้ง น, นี้เราเข้าใจว่ายินญาณมาขอส่นวนบุนส่วนตัศตนแล้วก็ไปตั้งใจแต่ส่วนบุญส่วนตัวตนให้ยินญาณเหล่านั้นเพราะสมาธิตอนนี้มันยังมีกำลังอ่อนเมื่อเราตั้งใจกแตอส่นวนบุญส่วนตัศตนให้ยินญาณเหล่านั้น พอเกิดคามตั้งใจสมาธิมันก็ถอนเมื่อสมาธิขอนแล้วภากนิน้วต่างๆก็หายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เพราะนิน้วที่มองเห็นนั้นมันเป็นนิน้วเป็นโลกภาพจิตของเราเองเป็นผู้กรุงเป็นมโนภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมืเ่อเหตการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้น ผู้ภาวนาควรจะได้กําหนดรู้จิจของตัวเองอยู่หาหาว่าจิตจังบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็ภาวนาพุทโธด้วยไปอย่าเผลอสนใจกับภาคมนุษย์ที่มองเห็นนั้นล้นวนแต่เป็นสิ่งที่หลอกลวงเป็นมโนภาพจิตของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ปรุงต่นขึ้นมาเอง ถ้หาหากเรามีปติสัมปจนยะกำหนดโูดเถย อ, อยู่หรือบางทีเราอาจจะนึกว่านิมิตสักแว่านิมิตเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรืออาจจะไม่นึกคิดอะไรเพียงแต่กำหนดโูดจิตเฉยเดียเท่านั้นโดยถือว่าโดยทําความรู้สึกในตือว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้น มวนมวนกับตึงที่เรามองเห็นด้วยตาอย่างธรรมดาธรรมดาถ้าเรากำหนดรู้การเพียงแต่เป็นอารมณ์จิตแล้วก็มีสติละเล็รู้ดูพซ้อมในขณะจิตนั้นไม่เกิดเอกใจหรือไม่ตกใจไม่เตือนใจเกี่ยวกับเรื่องนิเนิดนินิดนั้นจะดำรงอยู่ได้นานให้เราได้ดูนานนานบางทีเพ่งดูไป ในนีน้อาจจะแสดงภาพอสุภกรรมฐานให้เราดูบางทีก็อาจจะแสดงอาการตายลงไปให้เราดูแล้วก็แสดงความสุนเอตเน่าเปื่อยตุพังไปตามขั้นตอนเราก็จะได้มองเห็นอสุภกรรมฐานได้รู้อสุภกรรมฐานถ้าหากว่าจิตของเรามีความสงบละเอีดลงไปมีความมั่นคงคอสมควร สมาธิดังไม่ถอนอาจสามารถที่จะกำหนดนิดนั้นต่งจิตของเราก็กําหนดโู่ไปเองเป็นไปเองอาจปรลงต่ขึ้นมาให้เรามองเห็นสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นส่วนของร่างกายอันหนึ่งแล้วก็จะแยกกันออกไปเป็นส่วนๆตามกฎของธารมชาติคือส่วนที่มีลักษณะแข่นและแข็งมีผมขนเมื่อปันหนังเปต้น ก็จะแยกออกไปเป็นกลองหนึ่งเสื่อมลงเหลือกว่าธาตุดินส่วนที่เป็นเลี้วๆน้ำเหนือดน้ำน้องต้นต้นก็จะแยกออกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกไปส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นลมก็จะแยกไปอีกส่วนหนึ่งสิ่งเจิตของเราอาจจะตรลงแต่งแยกแยะของมันไปเองโดยพลังแห่งสมาธิและสติปัญญาเราก็จะดูดู้ยธรรมเห็นธ <c oughs> รรมโดยโลชาติสมถัน อันนี้เคยประสบการณ์ที่งนักปฏิบัติควรจะระมัดระวังพอ <c oughs> เสียมากในเมื่อจิตสงบลงไปแล้ว <c oughs> เกิดภากในนึดอะไรต่างๆขึ้นมา <c oughs> เรามักจะเกิดความเอกใจเมื่ <c oughs> อเกิดความเอกใจก็ไปเตืนไปตกใจสมาธิกอถอน <c oughs> เพวงไปเตืนใจตกใจสมาธิถอนก็ยังดี แต่ถ้าบางครั้งบางที <c oughs> เราอาจจะไปมองเห็นเป็นนิ้อเนื้ภาพต่างๆบางทีอาจจะเป็นนิ้อเนืภาพผู้พิเศษซึ <c oughs> ่งในความสาคัญในใจในสตของเราอาจจะเป็นเช่นนั้นเช่นไปเนืนอเนื้เห็นภาพพระอิศวรหรือเทพเจ้ า, าตนใดตนหนึ่งที่เราถือว่าเป็นเทพเจ้ า, าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในโลกเกิง เป็นเนื้อเน็ตกนมาเรามองเห็นเข้าบางสีจิตของเราก็อาจจะไปน้อมเอาเดชไปเจ้าที่มองเห็นนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะเราเชื่อมั่นว่าท่านสุนันจะเป็นผู้พิเศษแล้วจะมาช่วยให้เราได้สมาธิได้สติปัญญาอย่างรวดเร็วทันใจหรือให้สําเร็จมากผลได้เร็วส่งจิตของเราอาจจะเข้าใจผิดไปเช่นนั้น ถ้าหาเราไปน้อมเอาสิ่งนั้นๆเข้ามาในต น, เ ป, นเป็นเห็นเพจพรเจ้าก็น้อมเอาเพจพรเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราเมื่อเพจพระเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของเราจิตของเราจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นวานที่จะมีความสงบนิ่งคปนสมาธิมีสภาวะผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานอยู่ในจิตในใจ พอภาพนิรุตนั้นเข้ามาถึงก็เกิดอยู่ในใจิตในใจของเราใจของเราจะเปลี่ยนทันทีมันจะเปลี่ยนไปจนรู้สึกว่าหนักเมืองในตัวหนักอกหนักใจใกล้าๆกับว่าหัวไปถูกบิดอุดผัดลำคานไปหมดทําไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะอํานาจขอ ง, งยุญญาณที่เรามองเห็นนั้นแล้วละน้อมเข้ามาถึงสู่อยู่ในตัวของเรามันก็ลากลายเป็นการทรง กลายเป็นปานประทับทรงไปอันนั้นเป็นปานเดินทางติดเพราะฉะนั้นเรื่องนล่นนิดต่างๆเนี่ยนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะมั่นรมัดระวังให้ดีนเมื่อเล่นิดอันนั้นเกิดขึ้นมาเราจะทําอย่างไรเราควรจะได้กําหนดติดูลที่จิตของเราอย่างเดียวให้กําหนดตายว่าภายในจิตของเรานี่มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอยู่ในจิตในใจของเรา พระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนน่ารมพระพุทธเจ้าคือคนนธรรมที่ทําคนให้เป็นสุตตะเป็นพระพุทธเจ้า่านชายสิพธะโดยตนพบเป็นองค์แรกคนพบคนนธรรมที่ทําคนให้เป็นพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์รู้อริยาจาัตติคือทุกข์สมุทัยนิโลกนี้ แล้วก็นำออกมาเผยแผ่แอบรมสั่งสอนใครต่อใครก็ได้โลได้เข้าใจและบรรลุมรรผลตามพระองค์ไปดังนั้นพระองค์จึงได้เป็นศาสต า, าของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่บรรลุถึงคุณความเป็นพระพุทธเจา้าดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่มีตัวมีตนตนคุณั้นทำผู้ภาวนาพุโิโตพุโิโตพุโิโธพุิโตแล้ว ในเมื่อจิตมีวิสุทธิกรารสิสุขเอกคตา <c oughs> มีสมาธิมีจิตสวัางสวัยมีจิตรู้เตือนเบิกบานอยู่ในขณะจิตทั้นอ น, นึ่งได้คือว่าคนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วคือเมื่อคนของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดละเอียดลงไปเสรีสมาธิสงบละเอียดลงไป พอจะปล่ยวางที่ตกที่การยังเหลือแต่ปีติในสุดเอกัคตาอนนี้จิตสู่ในฌานที่สองจิตถ้าปีติหายไปยังเหลือแต่สุดเอกัคตาจิตสู่ในฌานสามธาสุ ก, ก็หายไปยังเหลือแต่วางเหลือแต่เอตัคตากับอุเบขาอันนี้จิตสู่ในฌานสี่น้อเมื่อจิตของท่านอยู่ในฌ า, านสี่สภาพจิตเป็นอย่างไร เมื่อจิตเจอในฌานสีจะรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมดตอนนี้ร่างกายของท่านไม่มีแล้วรู้สึกเมีจิตนิ่งสว่างสวัยรู้เตือนเบิกบานอยู่เฉพาะในจิตตอนนีจิตไม่มีอารมณ์มีแต่ตัวรู้เป็นอารมณ์ของจิตจิตรู้อยู่ที่จิตโดยเฉพาะ โลนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการแห่งความรู้หรือความคิดใดๆได้แต่โู่นิ่งนิ่งนิ่งอยู่อย่างเดียวความรู้สร็จในจิตขนานี้อารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีความคิดอ่านก็ไม่มีมีแต่รู้